เบลไม่ได้ยินแกพูดว่ายังไงคงหัวเราะชอบอกชอบใจอยู่เช่นนั้นแล้วถอยกลับมายัางคณะก่อนจะเข้ามาถึงกลุ่มได้โบกมือเรียกจันทร์เกิดและเสซยให้ตามเข้ามาด้วยแล้วถามขึ้นต่อหน้าพักพวกทุกคนเพื่อทดสอบความมั่นใจในความรู้สึกของคนเหล่านั้นขึ้นว่่าอะทั้งสามคนนี่แหละพอจะบอกได้ไหมว่าทิศเหนืออยู่ทางด้านไหนนี่ตอนนี้พวกเรากําลังงงเรื่องทิศอ่นะ พระแสงตะวันก็ไม่มีให้สังเกตได้ขนาดนี้โดยไม่ต้องนัดแนะกันไว้เลยพรานพื้นเมืองของรพินทั้งสามคนชี้ไปทางด้านที่เห็นทิวขุนเขายันเมฆอยู่นั้นต่อเป็นเสียงเดียวกันว่าโน่นทิศเหนืออยู่ทางด้านโน่นน่ะแมมพรานใหญ่บอกเลยเอา้าแล้วทําไมพรานใหญ่จะต้องบอกด้วยล่ะก็พวกจันเป็นพรานป่ามาตลอดทั้งชีวิต ถ้าหลงทิศเมื่อไรก็ไม่ต้องเป็นพระนอีกแล้วละ่ะทั้งนั้นตะวันขึ้นอยู่ทางด้านไหนละ่ะคริสติน่าถามมาเบาๆอย่างต้องการจะสอบให้แน่ชัดลงไปจันหันหน้าไปทางทิวเขากางแขนออกแล้วกระดิกทางด้านแขนขวาให้เห็นดวงตะวันก็ขึ้นทางด้านนี้สิแมมคริสหล่อนก้มศีรษะลง แล้วหันมาบอกกระพักพวกทุกคนด้วยอาการสงบว่าไม่น่าจะมีข้อสงสัยอะไรแล้วละ่ะพวกนี้น้ำแม่นที่ทุกคนและเมื่อทิวเขาเหล่านั้นอยู่ทางเหนือแน่นอนก็แปลว่ามันจะต้องเป็นทิวปีกครุฑอย่างที่พรานใหญ่ว่าชนิดไม่น่าจะคลาดเคลื่อนไปได้ละ่ะอิซาเบลเอ่ยปากอนุญาตให้ทั้งสามคนไปนั่งพักกันตามสบายคงมีแต่ฝ่ายของหล่อนกับพรานใหญ่เท่านั้น ซึ่งบัตรนี้เข้ามานั่งรวมกลุ่มกันฝ่ายนายจ้างทั้งหมดบัตรนี้เริ่มเต็มไปได้วยกำลังใจและความหวังสแตนลีย์ส่งซิก้าเล็กชุดหนึ่งสามมวนยื่นไปให้ระพิงขอแสดงความยินดีด้วยเกรตแมนคุณน่ะยิ่งใหญ่จริงๆในอาณาจักรของป่าดงพงไพรคุณตัดลัดทางมาได้ยังไงเนี่ยถึงสามารถย่นระยะได้เกินคาดอย่างนี้ ระพินหนึผมต่างหากนะครับด็อเตอร์ที่จะต้องขอแสดงความยินดีกับพวกคุณระพินตอบอย่างสำรวมจุดซิก้าตัวหนึ่งของสแตนลีย์สูบในทันทีทันใดเหมือนกันเพราะบุรีสำรองของเขานั้นมันหมดไปนานแล้วต้องอาศัยถุนบุรีใบตองแห้งของบุญคำมาตลอดในระยะนี้ ภายหลังจากพ้นควันตาเขามองจับอยู่ที่กลุ่มควันหอมหวนเหล่านั้นปากก็คงกล่าวต่อมาด้วยน้ำเสียงลึกในลําคอว่าพวกคุณให้ผมนําทางมาเพื่อวัตถุประสงค์ความต้องการของฝ่ายคุณเองเดี๋ยวนี้ผมก็ได้นํามาจนสามารถมองเห็นประตูแห่งความสําเร็จอยู่แค่นี้แล้วแต่ก็ไม่ทราบว่าเราจะต้องใช้เวลาเดินกันอีกสักกี่วัน พราว่ามันก็ยังดีกว่าที่จะเดินงมเดาสุ่มโดยไม่เห็นเป้าหมายใช่เลยเนี่ยวันนี้ดูคุณซึมซึมไปนะระพินเบ็นทักขนาดจ้องหน้าอย่างจะค้นหาเบนครับไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนผมก็ซึมซึมของผมอย่างเงี้ยครับก็เป็นธรรมดาของคนที่มีชีวิตอยู่อย่างเสื้อซึม ผมไม่ได้มีความหวังอะไรมากมายเหมือนพวกคุณทั้งหลายนี่ครับนี่นายถ้านายนำทางพวกเรามาจนกระทั่งสําเร็จภารกิจต่างฝ่ายต่างก็ได้กลับบ้านเมื่อความหวังที่จะได้กลับบ้านยังหมดภาระเสะียทีมันมีขึ้นแบบนี้นายก็น่าจะตื่นเต้นยินดีเหมือนเหมือนกับพวกเราสิคิดเอ่ยมาเสียงดังฟังชัดระพินยิ้มให้นิดนึงเฒ้า พลางสั่งสีรระชะ้าๆคิดอจะสาเร็จหรือไม่สาเร็จมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสำหรับฉันนักหรอกฉันน่ะมันเกิดมามีชีวิตอยู่อย่างอาภัพอับโชคตลอดเวลาแล้วก็ตลอดชีวิตด้วยคิดขยับจะเ อ, อ่ยอะไรออกมาอีกแต่คริสติน่าใช้ฝ่าเท้าเหยียบหลังเท้าเพื่อนไว้ไม่ให้พูดอะไรให้เป็นที่สกิดสะเทือนใจมคัคุเทศอีก หล่อนดูเหมือนจะเป็นเพียงคนเดียวของคณะเท่านั้นที่ทราบความในอันซ่อนลึกอยู่ภายใต้จิตใต้สํานึกของชายผู้นี้หล่อนเป็นคนเปลี่ยนเรื่องพูดว่าเ อ, อนีนก่อนออกเดินทางต่อไปสําหรับวันนี้มีอะไรจะบอกให้พวกเราพอทราบไว้ล่วงหน้าบ้างได้ไหมครูประโยคหลังหล่อนเน้นคําว่าครูอย่างชัดเจนก็ไรมั่งล่ะ ที่คุณหรือพวกคุณต้องการจะทราบนะ่ะก็ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเส้นทางเดินต่อไปในอนาคตของเราอะ่ะมันเป็นคำขอที่กว้างขวางเกินขอบเขตที่ผมจะบอกได้โดยละเอียดนะเอาว่าผมนำพวกคุณตามสงสัยอะไรก็ถามผมไปทีลยอย่างผมจะตอบได้ง่ายกว่าที่ผมจะมานั่งพันนาอะไรให้คุณได้ทราบทั้งหมด เอองั้นขณะนี้ที่นั่งพักกันอยู่เนี่ยเราก็มีข้อสงสัยขึ้นแล้วละ่ะขออนุญาตได้ัหมเชิญครับถ้าผมตอบได้เรามาถึงทะเลสาบมรณาแห่งนี้เนะี่ยเร็วเกินกว่าที่ครูกำหนดคาดหมายไว้ใช่ไหมคะคริสติน่าเอ่ยกับเขาในรูปแบบของการชวนคุยมากกว่าที่จะเป็นการตั้งคำถามให้ตอบโดยตรง ระพินมองดูปลายซิก้าที่ส่งควันกรุนแล้วยกขึ้นดูดเบาๆครั้งหนึ่งความคาดหมายของผมก็คือพยายามที่จะอ้อมเลี่ยงทะเลสาบมรณะด้วยซ้ำนะครับแต่ก็ไม่ทราบว่าจู่ๆมันก็พลเข้ามาพบเขาได้ไงแม้จะเป็นคนละทิศกับที่ผมเคยพลมาพบครั้งก่อนก็ตามเล็กกลับในมุม ในองศาที่ใกล้กับจุดหมายมากกว่าเดิมซะอีกอะถ้างั้นจะเป็นไปได้ไหมที่บุญคำบอกกับพวกเราว่าคุณะมีเวทมนต์อาคมในการตัดย่นระยะทางเบนเป็นฝ่ายเอ่ยขึ้นบ้างเอียงคอมองเขายิ้มยิ้มพรานใหญ่หัวร้อเฮในลำคอบุญคำก็มักจะรู้อะไรดีกว่าผมเสมอในเรื่องไราสาระชนิดนี้ เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันมั้งที่ผมมีคาถ า, าคมย่นระยะทางเพราะทุกฝีก้าวที่ผมออกเดินนำพวกคุณมาผมก็ภาวนาท่องบนอยู่ตลอดเวลาว่าขอให้ถึงที่หมายขอให้ถึงที่หมายไอ้คาภาวนาของผมชนิดเนี้มันเป็นอาคมขลังก็น่าจะคิดได้เหมือนกันว่าผมมีเวทมนต์ย่นระยะทางทุกคนของฝ่ายนายจ้างพากันยิ้ม คุณ น, นี่เป็นคนถ่อมตัวอยู่ตลอดเวลาในขณะที่พวกเราก็รู้ว่าคุณมีอะไรพิเศษพิเศษอยู่ในตัวโดยที่คุณไม่ยอมบอกให้เรารู้เลยเป็นคุณนลักษณะที่เหนือมนุษย์ทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในป่าใหญ่ไพรกว้างอย่างนี้สแตลลีเ อ, อ่ยขึ้นเนิบเนิ บ, นบช่มช้าและมีความหมายตามที่พูดอย่างแท้จริง <c oughs> นี่พวกเราทึ่งนะ แล้วก็ยอมรับนับถือคุณมาเป็นเวลานานแล้วนี่เป็นความรู้สึกจริงใจที่ไม่ได้แกล้งพูดเพื่อยกยออะไรทั้งสิ้นอะ่ะทุกเหตุการณ์ทุกตอนที่คุณนำเราผ่านประจนและผ่านพ้นมาได้นะเราก็เป็นเรื่องปาฏิหาริอะที น, นี้ที่พวกเราอยากรู้เป็นข้อแรกก็คือเราได้มาพบทะเลสาบมรณะขวางกั้นหน้าดักเราอยู่แบบนี้ คุณจะนำเราเดินทางต่อได้ยังไงคิดก็สอดมาอย่างมีอารมณ์ขันดีกว่าเอ้ะคงไม่ให้พวกลูก่าผาไม้มาต่อเป็นแพ้เราข้ามไปจนถึงฝั่งตรงข้ามที่เห็นนะเออถ้าต่อแพลถ่อข้ามไปได้มันก็คงจะดีเพราะจะเป็นการทุ่นแรงและย่นระยะเราอีกมากอะแต่ รพินบุ้ยปากออกไปยังกลางทะเลสาบอันน่าสะพึงกลัวอย่างลี้ลับนั้นฉันไม่อาจจะบอกนายได้หรอกคิดว่าก่อนที่เราจะไปถึงจุดหมายปลายทางฝั่งตรงข้ามอะไรมันจะเกิดขึ้นซะก่อนกลางทะเลสาบมืดนัเพียงแค่เลาะชายฝั่งในครั้งก่อนพวกเราที่มาในครั้งนั้นก็แทบจะเอาชีวิตไม่รอดแล้วจากสัตว์ลึกลับ เหมือนจะบันดาลขึ้นด้วยเวทมนต์ของซาตานหรืนอนรกรุมกันเข้ามาโจมตีเรามาถึงชายฝั่งในครั้งนั้นในครั้งนี้ก็ยังแปลกใจอยู่นะว่าเหตุใดเราจึงไม่พบกับสิ่งที่มองดูเหมือนฝันร้ายนะ่ะแต่ก็ไม่แน่นะอีกสักไม่กี่อึดใจข้างหน้ามันอาจจะแห่กันขึ้นมาจากทะเลสาบมืดนั่นก็ได้แล้วก็ขออยากได้ถามว่ามันเป็นสัตว์ชนิดไหนรูปร่างหน้าตายังไง เพราะแต่ละชนิดน่ะมันเหมือนกับงผูกขึ้นมาจากนารกทั้งนั้นแหะแต่ฉันก็ภาวนาขอยายพวกเราได้พบอีกเลยเอาแค่ช้างโบราณที่เราพบกันเมื่อก่อนเที่ยงนี่ก็ย่ำแย่แล้วอ่ะแล้วเราจะเอายังไงกันล่ะพี่เชิดวุฒเพิ่งถามเสียงแผ่วขึ้นเป็นครั้งแรกข้าวหน้าเริ่มจะมีกังวลในขณะที่ฝ่ายมริกันมองหน้ากันเงียบๆอยู่ เราก็หาทางอ้อมใช้ฝั่งไปเรื่อยๆก่อนนะครับเขาบอกมาหนทางไหนพอจะฝ่าฟันไปได้ก็บุกบันกันไปทางไหนมันยากลําบากนักหรืออยู่ในเกณฑ์เสี่ยงเราก็จะหลีกเลี่ยงซะค้นหาทางสะดวกกันต่อไปแต่เราก็มองเห็นเป้าหมายที่จะมุ่งเข้าไปสู่แล้วไม่ต้องใจร้อนอ้อมหน่อยก็ขอให้ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่านะนิรพิน เด็กๆของคุณทั้งสี่คนน่ะเขารู้แผนการของคุณแล้วหรือยังอ่ะหรือว่าได้ปรึกษาหารือกันเรียบร้อยแล้วสแตลลีถามมาขณะที่มองไปยังบุญคำเกิดเสยและจันซึ่งบัดนี้กำลังมองออกไปยังทะเลสาบเหมือนคอยจับสังเกตดูอะไรอยู่ด็กเตอร์ครับคนของผมพวกนั้นน่ะจะไม่สนใจแผนการอะไรทั้งนั้นผมสั่งให้เาไปทางไหนเาก็ไปทางนั้น พวกนี้น่ะเสียอยู่อย่างหนึง่งคือถ้ามีผมอยู่ด้วยพวกเขาจะไม่ยอมใช้สติปัญญาหรือความคิดใดๆทั้งสิ้นจะคอยรอฟังเฉพาะคําสั่งเท่านั้นแหละก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วไม่ใช่หรอคะครูที่คนของครูทุกคนล้วนอยู่ในระเบียบวินัยอันดีงามทั้งนั้นพวกเขาจะต้องมาคิดอะไรอยู่อีกล่ะนอกจากทําตามคําสั่งอย่างเดียวกราบใดก็ตามที่ยังมีระพินไทวันเป็นกับตันทีนอยู่อย่างนี้ การตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ควรจะอยู่ที่ครูคนเดียวเนี่ยคริสติน่าบัดนี้แทนสรรพ น, นามของรพินว่าครูอย่างสนิทปากสแตนลีย์คีดและเบลชะโ ง, งนเบลเอ่ยถามขึ้นว่านี ee, ่เธอเรียกเขาว่าครูเหรอคริสเอ e, ้พวกเราหูฝาดไปหรือเปล่าใช่ฉันเรียกเขาว่าครู เพราะฉันได้ยอมตัวเป็นสิทธ์คขาละเขาสอนทุกสิ่งทุกอย่างให้แกฉันในการเสี่ยงชีวิตเดินป่ามาในครั้งนี้เพราะฉะนั้นไม่มีใครหูฝาดหรอกฉันเรียกเขาอย่างนั้นจริงๆครูรพินแล้วหล่อนก็หันมาทางเขาถามอย่างจริงจังว่าใช่ไหมคะครูพรานใหญ่ไม่เอ่ยตอบในคํานั้นเช่นไรเพียงแต่ยิ้มขึมขึ้ให้ ถ้างั้นก็ไม่ยุติธรรมดิแล้วฉันล่ะไม่ยอมรับเป็นลูกศิษย์ด้วยไงยเป็นร้องเสียงสูงมาปนหัวเราะทุกคนถ้าเป็นลูกศิษย์ของผมก็ได้ทั้งนั้นแหละครับถ้าอยากจะเป็นแต่ก็เฉพาะเพียงเรื่องดํารงชีพเอาตัวให้รอดอยู่ในป่านี้เท่านั้นนะครับและลูกศิษย์ผมก็จะต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผมโดยไม่ฝ่าฝืน ทำไมงั้นมันก็หาประโยชน์อะไรไม่ได้เราอย่าพูดล้อเล่นกันในเรื่องนี้เลยครับไม่เหมาะหรอกโดยแท้จริงผมก็ไม่เคยตั้งตัวเป็นครูใครเอาเป็นว่าผมขออยู่ในตำแหน่งลูกจ้างแบบนี้ตลอดไปดีกว่านี่รพินคุณว่าเราจะไปถึงทิวปีครุฑนั่นโดยใช้เวลา น, านานสักเท่าไหร่นี่สเตลีถามเป็นงานเป็นการโดยใช้สายตาเตือนเป็นความหมาย ให้เบรรระงับอารมณ์ระรื่นขนองลงซะด็กเตอร์ครับถ้าผมคาดไม่ผิดนะครับก็กะว่าไม่เกินสีห้าวันเราควรจะไปถึงทิวปีกครุฑในการเลี่ยงยงอ้อมๆหาทางเรียบบึงนี่ไปภูมิประเทศที่เราเดินอยู่นี่มันไม่เหมาะแน่จะต้องหาทางออกป่าในที่สูงกว่านี้ถ้าพบป่าปโปร่งและพื้นที่ราบสูงก็คงจะดีมากซึ่งก็หวังว่าจะพบนะครับ รินขอทราบพื้นภูมิประเทศของทิวปีกครุฑที่เราจะมุ่งไปหน่อยได้ไหมได้ครับเราจะไต่ขึ้นทิวเขาเหล่านั้นโดยไม่รู้ตัวจากบริเวณที่ราบสูงขึ้นไปทุกขณะอากาศจะหนาวเย็นมากครับผมจะพยายามเลี่ยงเส้นทางเดิมคือภูเขานิลการซชเขาใช้ปลายมีดโบวีประจำตัวขีดเป็นแผนที่คร่าวๆให้ทุกคนดูนี่ครับ บนทิวเขาปีกครุฑนี่ถ้ามุ่งหน้าตัดเหนือขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งถ้าไปถึงแล้วผมพอจะจำลักษณะของภูมิประเทศที่เคยผ่านมาได้ทั้งในเที่ยวขาไปและขากลับในครั้งก่อนอีกประมาณไม่เกินสี่วันนะครับเราก็จะถึงหุบใจกลางขุนเขาเทือกนึงอันเรียกว่าเนินพระจันทร์และที่ตำแหน่งเนินพระจันทร์นั่นแหละครับเราจะตัดขึ้นไหลของเทือกพระศิวะ มรกรนครนซ่อนอยู่กลางหุบบนเทือกเขาพระศ Aa, ิวะแห่งน hmm? SI? ี้ครับหมายถึงอาณาจักรลี้ลับเหนือกฎเกณฑ์ของโลกภายนอกตำแหน่งที่คุณเคยไปติดตามคนหายมาแล้วน่ะใช่ไหมเกือบทุกคนของนายจ้างถามขึ้นเป็นเสียงเดียวระพินไพรวันรีตาลกเขาไม่มองศบตาใครแต่มองจ้องลงไป ยังลายเส้นที่ตนเองกรีดเป็นแผนที่คร่าวๆตรงหน้าลงกับพื้นดินอาการเหมือนเข้าพวังอยู่อึดใจใหญ่จนสแตนลีย์เตือนย้ำถามมาจึงเอามือข้างหนึ่งขึ้นลูบขยี้ช้าๆที่ปลายคางอันเขียวครึมไปด้วยคราวแล้วเหลือบตาขึ้นสบครับดินแดนแห่งนี้ถ้าพวกคุณได้ไปถึงแล้ว จะมีอะไรต่ออะไรที่คุณไม่สามารถนำกลับไปเล่าให้บุคคลภายนอกยอมเชื่อถือได้เลยมันเป็นดินแดนแห่งความฝันซึ่งตามปกติแล้วเฉพาะจิตวิญญาณของมนุษย์เราเท่านั้นที่จะล่วงพ้นเข้าไปได้แต่ผมจะพาเอาทั้งชีวิตและร่างกายของพวกคุณทุกคนผ่านเข้าไปให้ได้ที่นั่น การเวลาของโลกภูมิศาสตร์ภายนอกจะเปลี่ยนแปลงไปหมดเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ของพวกคุณทุกอย่างจะบอดสนิทใช้การไม่ได้อีกเลยแม้แต่นาฬิกาก็ยังหยุดเดินเข็มทิศไม่ทำงานก็เหลือเพียงลูกปืนเท่านั้นแหละที่ยังสามารถยิงได้เครื่องบี 5.2 ของคุณหลงพลัดเข้าไปในดินแดนนี้แน่นอนและระเบิดสิบเมกะตันของคุณก็หล่นอยู่ในนครแห่งนี้แหละ โดยหมดริกลงสิ้นเชิงจะเป็นได้ก็เพียงซากวัตถุชนิดหนึ่งเท่านั้นผมอยากจะบอกกับพวกคุณในเรื่องนี้มานานแล้วแต่พวกคุณคงไม่เชื่อจึงต้องพาไปให้พบเห็นกะตาและตัดสินใจกันเอาเองภายหลังจากได้ไปพบเห็นแล้วว่าจะดำเนินการยังไงต่อไปผมแน่ใจครับว่าพวกคุณเพียงแต่ได้ไปเห็นเท่านั้นแต่จะไม่มีโอกาสที่จะนำเอาระเบิดลูกนั้นกลับคืนได้แน่นอน และจะไม่มีอะไรติดมือกลับมาได้เลยด้วยแม้แต่ชิ้นส่วนเล็กๆของเครื่องบินระพินหยุดชะ ง, งักไปนิดหนึ่งเอียงโซดเหมือนจะสะดับอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วกล่าวพึมพำรรต่อมาว่าใช่ครับแม้ขนาดนี้ผมก็ได้ยินเสียงพร่ำเรียกจากแผ่นดินนั้น เสียงเรียกร้องให้ผมหวนกลับคืนไปยังดินแดนในฝันนั้นให้ได้ผมได้ยินครับทุกคนขนลุกชันขึ้นอย่างประหลาดเมื่อมองเห็นอากับกิริยาท่าทีของระพิงเบลจ้องตาตื่นตะลึงเบียดกายชิดเข้าไปที่สแตนลีกระซิบเบาที่สุด ดูลักษณะท่าทีของเขาในขณะนี้สินี่นี่เขาเป็นอะไรไปหรือเปล่าเนี่ยเหมือนคนที่กำลังตกอยู่ในมนสกดของอะไรสักอย่างหนึ่งัวหน้าคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์โอบกอดเบลไวแนนเชิงบังคับไม่ให้พูดอะไรทั้งสิ้นทุกสายตาของฝ่ายเมริกันและเชิดบุตรจับจ้องคำม็งมาที่ระพินเป็นตาเดียวเหมือนจะเฝ้ารอดู อ, อ, อากัปกิริยาของเขาต่อไป แต่ช่วขนาดจิตต่อมาเมื่อเชิดวุตรค่อยๆเอื้อมมือไปแตะไหลและเอ่ยเรียกชื่อเขาขึ้นมาเบาๆเจอมักคุเทศจิงสะบัดหน้าแรงๆคล้ายๆจะขับไล่ความมึนงงแล้วก็หัวเราะออกมาเบาๆปรับน้ำเสียงให้กลับมาสู่สภาพปกติ <c oughs> ขออภัยครับผมอาจจะเพอ้อเจออะไรไปหน่อยแล้วก็โปรดจะได้ห่วงนะครับอย่าจ้องมองผมด้วยสายตายางนั้นสิ สุขภาพทางกายและจิตของผมในขนาดนี้รับรองครับว่ามั่นคงดีทุกอย่างผมขอย้าครับว่าผมจะนำพวกเราทั้งหมดไปยังนครประหลาดแห่งนี้ให้ได้ครับรบพินเพราะคุณเชื่อมั่นว่าเครื่องและระเบิดของเราหายเข้าไปตกอยู่ในนั้นใช่ไหมสเตลีเอ่ยเสียงต่ำๆครับด็กเตอร์ ผมยอมให้ตัดคอครับถ้าไม่พบเครื่องและระเบิดของพวกคุณในดินแดนนั้นเดี๋ยวนี้ผมแน่ใจแล้วแน่ใจร้อยเปอร์เซนตเต็มครับอ่ะแล้วพวกเราจะมีภัยอันตรายใดๆไหมล่ะในการล่วงล้ำดินแดนนั้นเข้าไปคริสติน่าและเอและเบล เ, บเอ่ยเสียงสั่นมาพร้อมกันครับถ้าเป็นสมัยก่อนก็อันตรายแน่แล้วครับ เพราะผู้คนในนคร น, นี้ไม่ยอมเป็นมิตรกับมนุษย์โลกภายนอกเลยแต่เมื่อเปลี่ยนกษัตริย์ผู้ครองอาณาจักรมาเป็นจั ก, กราชิราชผมแน่ใจครับว่าทั้งกษัตริย์ผู้ครองอาณาจักรและทั้งข้าราชบริพารตลอดจนประชาชนชาวนาครทุกคนจะเป็นมิตรที่ดีเยี่ยมของเราอย่ากังวลในเรื่องนั้นเลยครับสิ่งที่เราจะ ก, กังวลก็เพียงแค่ว่าจะทายังไงจึงจะเข้าไปถึงดินแดนนั้นได้ โดยไม่พินาศย่อยยับด้วยภัยธรรมชาติกันสักก่อนเท่านั้นเพราะเส้นทางน่ะเป็นอุปสรรคสำคัญเหลือเกินเอจั ก, กราธิราชนี่ครูหมายถึงคนที่ชื่อแงซายกระเรียงพเนจรที่เคยมาเป็นคนใช้คณะเดินทางของครูในครั้งนั้นน่ะเหรอคริสติน่าถามด้วยน้ำเสียงอ่อนนุ่มระพินชำเลืองหางตาผ่านใบหน้างามของหลอนแวบหนึ่ง แล้วแลผ่านเลยไปยังทิวเขาเบื้องหน้าอย่างปราศจากจุดหมายแน่นอนคริสผมคิดว่าทั้งผมและทั้งบุญคำตลอดจนพวกพรานพื้นเมืองของผมคงจะได้เล่านิทานอะไรให้คุณฟังมาก่อนแล้วคุณก็ต้องเข้าใจได้ดีแล้วมันเป็นนิทานแบบแฟร r y ี่เทลสำหรับคุณทุกคนแต่มันก็เป็นเรื่องจริง สำหรับพวกเราที่ผ่านกันมาแล้วเอาไปว่าคุณอย่าเพิ่งเชื่ออะไรทั้งสิน้นรอยถึงเวลานั้นซะก่อนแล้วก็คงจะได้เห็นเองระพินเราไม่มีข้อขัดแย้งอะไรกับคุณในเรื่องนี้หรอกนะสแตนลีย์กล่าวสีหน้าและน้ำเสียงเคร่งขรึมดอกเตอร์ครับและโดยแท้จริง พวกเราก็ไม่ปรารถนาที่จะไปให้ถึงดินแดนในฝันของคุณแห่งนั้นหรอกแต่เมื่อคุณแน่ใจว่าเครื่องและระเบิดของเราตกอยู่ในดินแดนนั้นเราก็ขอเพียงไปดูให้เห็นกับตาเท่านั้นแหละไอ้ส่วนจะเอากลับออกมาได้หรือไม่น่ะเป็นอีกเรื่องนึงสัญญานําทางของคุณหมดสิ้นลงเพียงแค่นําเราไปให้ได้เห็นเท่านั้นและต่อจากนั้นคุณก็หมดพันธะใดๆกับพวกเราโดยสิ้นเชิง ผมขอให้คำมั่นสัญญาระพินส่งมือไปให้จับแล้วบีบแน่นเขย่าโดยแรงคุณเป็นนักต่อสู้นักผจนภัยที่ผมขอคาราวะน้ำใจวางใจนะครับด็อกเตอร์ผมจะไม่ทอดทิ้งพวกคุณเพียงแต่นำพาไปให้พบซากเครื่องบินตกและพบระเบิดแม้ว่าพันธะผมจะหมดสิ้นลงเพียงแค่นั้นก็ตาม แต่ผมก็ยังมีพันธะที่จะนำพวกคุณกลับออกมาจนถึงเขตปลอดภัยซะก่อนแล้วหลังจากนั้นเราจรึงจะกล่าวคำอำลาต่อกันตกลงไหมครับอุ้ง ม, มือของคีธเบลคริสตินาเอื้อมมาจับมือเขาขณะยังกาแน่นอยู่กับสเตลลี่และทุกคนก็กล่าวหนักๆออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าตกลง เช้าวันนี้คณะของเชิดาวราริศถูกปลุกขึ้นตั้งแต่เวลา 5.30 นาฬิกานาทีโดยการเข้ามาใช้งวงจับข้อเท้าของดารินเบาๆจากเจ้าดวดหล่อนตกใจสะดุ้งลืมตาขึ้นก็มองเห็นร่างอันใหญ่โตของช้างคู่บารมีมายืนอยู่ทางด้านปลายเท้าคณะพักของหล่อ น, นอนเรียงรายกันอยู่หลายคนนับตั้งแต่เชิด้าอนุชาและชัยยัน ซึ่งตัวหล่อนเองเป็นคนนอนกลางที่สุดแต่มันก็เลือกเจาะจงเดินเงียบๆ เ, เข้ามากลางแคมป์ที่พักแล้วใช้งวงปลุกหล่อนอะไรกันนี่เจ้าด้วนมีไรเหรอหล่อนร้องขึ้นเบาๆขณะที่พรวดลุกขึ้นนั่งและการเคลื่อนไหวตัวผุดลุกขึ้นนั่งอย่างกระทันหันชนัดชนิดนี้เองทําให้เพื่อนเพื่อนและเพื่อนชายพลอยตื่นกันขึ้นมาหมดทุกคน พร้อมทั้งเห็นเจ้าด้วนเข้ามายืนรังงานอยู่จากกองไฟที่เริ่มจะหมดเปลวเมื่อมันเห็นดารินลุกขึ้นนั่งก็ชู ง, งวงขึ้นสูงแต่ก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาลุกลนอื่นใดที่ดูผิดปกติไปอย่างใดทั้งสิน้นและเมื่อเห็นหล่อนยังนั่งงวงเงียจ้องดูมันเฉยอยู่เช่นนั้นก็ค่อยๆลดงวงละมัดลงมาแตะที่ไหล่ของหล่อนเบาๆพลางสัน่นเขยา่านุ่มนวล แพลวราวกับม like hey! sure ือมนุษย์เหมือนจะเป็นการเตือนให้ตื่นขึ้นจากสภาพอันกึ่งหลับกึ่งตื่นและมีอาการงงๆอยู่นั้นเฮ้ยเจ้าด้วนเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าชายันผู้ลึกขึ้นมาพร้อมกาเชษฐาและอนุชาร้องอุทานออกมาเมื่อนั้นมันก็ส่งเสียงจากลำคอต่ำๆออกมาช่วงหนึ่ง บ่ายตัวเดินช้าๆออกไปยืนอยู่ในระยะไม่ห่างไปนักทุกคนจึงอย่างทราบได้ทันทีว่านั่นเป็นการเข้ามาปลูกคณะทั้งหมดของมันด้วยอาการที่สุภาพนุ่มนวลที่สุดทุกคนจึงลุกขึ้นทันทีภายหลังจากดูนาฬิกาประจําตัวพร้อมทั้งหนานอินขยินและพวกลูกหาบทั้งหมดด้วย ราวป่าทึมที่อาศัยพักแรมคืนกันอย่างมืดมิดและมีหมอกคล้ายคายควันบางๆเป็นละอองปกคลุมอยู่ทั่วไปแต่เข็มนาฬิกาเดินป่าของทุกคนบ่งชัดว่ามันใกล้สว่างเต็มทีแล้วจะเรียกว่าเช้าตรู่ก็ได้ด้วนเข้ามาปลุกแต่เช้ามืดเลยค่ะนี่สงสัยต้องการจะเร่งให้เราออกเดินทางแล้วล่ะน้องสาวคนเล็กของคณะเอ่ยขึ้นกับทุกคน ภายหลังตรวจสอบอาการของพลายใหญ่ซึ่งไม่ได้มีอาการกิรยิยาท่าทีอันแสดงถึงการเตือนภัยแต่อย่างใดเออแปลกมากนะเจ้าด้วนะไม่เคยเข้ามาแสดงอาการปลุกเราแบบนี้มาก่อนเลยแล้วก็เจาะจงจะปลุกน้อยเป็นคนแรกซะด้วยทำไมมันเข้ามาดึงขาเหรอน้อยอนุชาถามมาโดยเร็วค่ะดึงเบาบาทีแรกก็นึกว่าฝันไปด้วนดึงอยู่หลายครั้งทีเดียว พอลืมตาก็เห็นยืนอยู่ที่แรกก็ตกใจนะคะนึกว่าเกิดเรื่องร้ายอะไรขึ้นแต่ก็เห็นอาการเขาสงบดีเพียงแต่ย่องเข้ามาเอางวงดึงขาน้อยเท่านั้นพอดูนาฬิกาก็เห็นว่ามันใกล้าสางเต็มทีก็เลยคิดว่าคงเจตนาจะเข้ามาปลุกน้อยให้ตื่นมากกว่าอย่างอื่นคงจะเห็นว่าจวนสว่างนั่นแหละคะ่ะแล้วหล่อนก็หัวเราะออกมาเบาๆมองจับนิ่งไปยังช้างป่าคู่ชีพ ซึ่งยืนกวัดแกว่งงวงอยู่ไม่ห่างออกไปนักนี่เป็นครั้งแรกที่ร่วมทางกันมาแล้วด้วนเข้ามาปลุกอืมก็คงมีอะไรสักอย่างที่เขาอยากจะให้เราเริ่มต้นออกเดินทางซะโดยเร็วสำหรับเช้านี้เชษฐาว่าพร้อมกับลุกขึ้นยืนก่อนคนอื่นนันอินขยินและพวกลูกหาบช่วยกันปลุกพักพวกคนอื่นๆที่ยังนอนหลับอยู่ ซึ่งทำให้คณะทั้ง16คนเริ่มมีการเคลื่อนไหวทันทีเพื่อภารกิจหนักของวันใหม่ฝ่ายจัดเตรียมเก็บของและฝ่ายจัดเตรียมอาหารมื้อแรกของวันชนิดพอประ ท, งทังชีพทำงานพร้อมๆกันอย่างรู้หน้าที่นานอินและขยินออกตรวจดูรอบๆ บ, บริเวณที่พักเพื่อแน่ใจอีกครั้งว่า น, นอกจากอาการที่เจ้าด้วนย่ยองเข้ามาปลุกนายหญิงแล้ว ไม่ได้มีสาเหตุอื่นใดแทรกแซงเข้ามาระหว่างที่ดารินกำลังรินน้ำจากกระติกลูบใบหน้าท่ามกลางอากาศเช้ามืดอันหนาวเย็นจัดนั้นกลุ่มพี่ชายก็ถามว่าเป็นไงมั่งน้อยเมื่อคืนนี้เธอไม่ค่อยสบายนักแล้วก็หลับไปก่อนทุกคนค่ะเช้าวันนี้น้อยเรียบร้อยดีแล้วล่ะค่ะไม่ต้องเป็นห่วงหล่อนตอบเบา ใช้ผ้าขนหนูเล็กๆซับใบหน้าและจัดการเก็บของส่วนตัวลงเป้หลังรวมทั้งตรวจความเรียบร้อยของไรเฟิลประจำตัวอย่างเตรียมพร้อมทันทีแน่ใจนะน้อยว่าหายดีแล้วอะ่ะอนุชาเข้ามาจับลายบีบหนักหน่วงจ้องหน้าค่ะแน่ใจที่สุดเลยพิกกลางเมื่อคืนนี้ได้พักเต็มที่เลยมีแรงแล้วไม่ว่าจะหนักสักแค่ไหนละ่ะดีละดีละ เมื่อคืนนี้เห็นทาท่าไม่ค่อยจะดีอยู่ยังเป็นห่วงเลยสำหรับการเดินทางในวันนี้ว่าแล้วพี่ชายกลางก็คว้าไร่เฟินก้าวออกจากตําแหน่งพักนอนตรงไปยังหนานอินและขยินเพื่อผู้จะหาเรืออะไรกันตามหน้าที่ของเขาในฐานะผู้รับผิดชอบควบคุมในด้านเส้นทางเดินเชษฐาชัยยันและดารินพากันเดินไปที่กองไฟอันกาลังเตรียมหุงหา แต่ในขณะ น, นี้มีกาคาเฟเก่าแขวนค้างอยู่และกําลังอุ่นไฟโดยนายชวนหัวหน้าลูกหับรินแจกจ่ายกันคนละถ้วยเป็นการประเดิมรองท้องก่อนอาหารอื่นใดที่พวกนั้นกําลังกะเตรียมกันอย่างเร่งด่วนพี่ว่าร้อยฟ้าสางกว่านี้อีกสักนิดเนี่ยก็คงจะเป็นเวลาที่เรากินอาหารเช้าเสร็จกันพอดีแล้วก็จะออกเดินทางทันทีเหมือนกันก็ดีแล้ ที่เจ้าด้วนเข้ามาปลูกเธอซะตอนนี้เราจะได้เริ่มต้นออกเดินกันแต่เช้าโดยไม่เสียเวลาน้องสาวไม่ตอบว่าอะไรฝืนยิ้มให้แต่สังเกตดูจากสีหน้าอาการทั้งเชษฐาและชยันเห็นว่าดาริ น, น่าจะมีพลังกายที่สดชื่นแข็งแรงดีแล้วนอกจากภาวะทางจิตที่มีกังวลร้อนรุ่มอยู่ตลอดเวลาอันยากที่จะกลบเกลื่อนหลบซ่อนเสียได้เท่านั้น เช ย, ยันคุยกับเชษฐาเบาๆในระหว่างที่ดารินยังคงนั่งเหมือนจะคบคิดหนักอยู่บนขอนไม้ใกล้ๆครู่เดียวอนุชาก็เอาหนานอินและขยินเข้ามาร่วมกลุ่มสมทบด้วยปกติเรียบร้อยดีทุกอย่างครับสำหรับรอบๆ บ, บริเวณแคมป์เราตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาไม่มีเรื่องรอยของสิ่งแปลกปลอมอะไรเข้ามาใกล้เคียงเลยผมกับลุงอินแล้วก็ขยินตรวจ ด, ดูทั่วแล้ว มีแต่รอยเจ้าพระเอกด้วนของน้อยตัวเดียวเท่านั้นแหละที่เดินวนอยู่รอบๆอบแคมป์ด้วนะเป็นยามชั้นพิเศษสุดของพวกเราทีเดียวก็เชื่ออย่างนั้นเหมือนกันเพราะถ้ามีอะไรเฉียดเข้ามาใกล้มันก็คงจะให้สัญญาณขึ้นแล้วล่ะพบร่องรอยอะไรของคณะรพินผ่านมาทางนี้บ้างไหมคะพี่กลางน้องสาวถามแผวเบาออกมาเหมือนจะไม่ตั้งใจ อนุชาหันขวับมามองหน้าทันทีกึ่ ง, งสมเพศกึ่งฉุนย้อนถามมาเดเร็วว่าว่าไงนะไม่เกียบผู้ไรดาริมเงียบไปอีกพี่ชายกลางบน่บนบุนพรันต่อมา ว, ว่าก็รู้อยู่แล้วว่าเราพลาดรอยของระพินตั้งแต่ตอนที่น้ำป่ามันซัดเธอพลาดหายไปคราวนั้นแล้วเราก็ตัดสินใจทิ้งรอยเขา ออกหาทางก้าวสกัดมาโดยตลอดแล้วมันจะไปพบรอยในระยะนี้ได้ยังไงมันคนละทิศละทางกันถ้าจะพบกันอีกทีนึงก็หมายถึงว่าอาจจะเดินสวนประจันหน้ากันเลยไม่ใช่แกะรอยไปตามลำดับอย่างที่แล้วมาหรอกโ น, น่นจะด้วนยืนอยู่โ น, น่นเราไปถามมันเองดิว่าร่องรอยของเระพีนผ่านมาทางนี้บ้างหรือเปล่าหรือไม่ก็โน่ น, นหลังเจ้าด้วนออกไปมีต้นอโศกอยู่ต้นหนึ่ง ไปถามต้นอโศกดูก็ได้จะได้เหมือนกับนางธรรมยันตีตอนติดตามหาพระนนอยู่กลางป่าและร้องถามต้นอโศกว่าพระนนทน่ะผ่านมาทางนี้มั่งหรือเปล่าน้องสาวซึมไปหลบตาลงต่ำไม่ตอบโต้ อ, อะไรกับคาพูดหนักๆของพี่ชายเชิดถามองน้องชายกลางมาอย่างตําหนิสนชายยันตบที่ไหลอนุชาค่อนข้างหนักเฮ้ อย่าพูดอะไรแรงๆให้น้อยสะเทือนใจเลยกลางแกนี่มันก็ขมิ้นกับปูนซะจริงๆอ่ะกันน้อยนี่นะสงสารน้องสาวเรามั่งเถอะเขาก็คงไม่ได้ตั้งใจจะถามแกแบบนั้นหรอกมันก็ออกมาจากจิตใต้สำนึกที่เผลอตัวพูดรำพึงออกมาซะมากกว่านะ่ะอดีตพรานชดจึงเปลี่ยนสีหน้าสีตามาเป็นยิ้มเดินเข้ามาลูบศีรษะน้องสาวผู้นั่งคอตก อาการละห้อยละเหียอยู่ปลอบว่าน้อยพี่ขอโทษนะพี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกแน่ใจว่าในวันนี้เราก็คงจะได้ข่าวอะไรที่ดีขึ้นมั่งอะ่ะเพราะเจ้าด้วนมาเร่งปลุกเราแต่เช้าเชิงให้เร่งออกเดินทางอะ่ะดารินยิ้มเศร้าๆให้จับมือพี่ชายกลางมากุมไว้ตอบเบาๆว่า พี่กลางก็อย่าดุอะไรน้อยนักนะคะไหนไหนพี่กลางก็อุตส่าห์เสียสละลาบากมากันน้อยถึงเพียงนี้แล้วนึกว่าจะด่าอะไรพี่ซะอีกลับพูดชันน่าสงสารเชอะอ่ะสบายใจเถอะน้อยถึงไหนถึงกันสําหรับพี่และทุกคนที่มาในครั้งนี้เอาเป็นว่าต่อไปพี่จะไม่พูดอะไรให้น้อยไม่สบายใจอีกแล้ว ขอบคุณค่ะพี่กลางน้องสาวเล็กผู้ตกอยู่ในฐานะทุกข์หนักเอามือของพี่ชายกลางแนบแก้มอย่างไม่แสดงขุนเคืองกระแนงแงงอนใดๆผิดไปกว่าทุกครั้งแล้วก็ลุกขึ้นเดินผละจากกลุ่มช้าๆตรงเข้าไปทักทายผู้จาอะไรอยู่กับเจ้าด้วนแล้วเอามือโอบกอดงวงของมันไว้ทั้งสามคนมองตามหลังไปและถอนใจอย่างเวทนา อนุชาหันไปทางเชิฐายิ้มจิตจืดกล่าวแบบไม่เต็มเสียงนักว่าขอภัยครับพี่ใหญ่น้อยเขาก็รู้ดีว่าผมมีนมินสัยอย่างเงี้ยความจริงผมก็รักเอ็นดูเขาไม่น้อยไปกว่าพี่ใหญ่หรอกครับถึงชา ย, ยันก็รู้เออแต่แกน้ำปากเสียชา ย, ยันตำหนิเอาตรงๆอนุชาไม่ตอบโต้อะไร ส่วนพี่ชายใหญ่ไม่แสดงอาการสนใจถามมาเป็นงานเป็นการมาทั้งอนุชาและนานอินว่าเออและเช้าวันนี้เราจะเริ่มต้นกันยังไงอ่ะอนุชาพยักหน้าไปทางครูพรานผู้เท่าเหมือนจะให้ตอบคำถามแทนนานอินก็เลยตอบมาว่าก็ให้ไอ้ด่วนน้ำแล้วเราก็ตามไปเรื่อยๆอันนายนใหญ่ ลางไม่มีข้อโต้แย้งอะไรเหรอยังไม่มีในขณะนี้ครับก็ตามอย่างที่ลุงอินว่านั่นแหละมันพาไปไหนเราก็ไปทางนั้นเว้นแต่จะรู้สึกผิดสังเกตว่ามันจะนำเฉ๋ยฉออกแนวทางที่เราหวังไว้ก็จะหารือกันใหม่แต่ก็เชื่อว่ามันแม่นยำต่อทิศทางแน่ๆในการก้าวสกัดของเราซึ่งลุงอินก็จะสัมผัสได้ทันทีอ่ะขยินนะ ว่าไงอดีตท่านทูตทหารบกหันไปทางเจ้ากระเรียงใหญ่แห่งหลุมช้างซึ่งก็ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งในด้านการแกะรอยในครั้งนี้ขยินก็ว่าเหมือนลุงอินกับพรานชดแหละในายใหญ่เจ้านั่นตอบมาสั้นๆ ส, สีหน้าไม่บ่งบอกความรู้สึกใดๆตามประษาของมันอาจจะดูถือมาลือ่อปานจากกระเบื้อดินยังไงยังงั้น แต่คนที่เคยร่วมทางร่วมเป็นร่วมตายกันมาแล้วอย่างกลุ่มนี้เท่านั้นที่รู้ดีมือขนาดขยินน่ะไม่ไร้ค่าแน่ๆในการเดินทางครั้งนี้จากคุณสมบัติของลูกปลาโดยกำเนิดและความจงรักพักดีเมื่ออาหารพร้อมเชษฐาก็มองหาน้องสาวอนุชาชิงบอกว่า เดี๋ยวผมจะไปตามน้อยเองครับแล้วก็เดินผลักไปอย่างรวดเร็วไม่พบดารินตรงที่เจ้าด้วนยืนอยู่แต่เห็นหลังกำลังยืนอยู่หน้าต้นอโศกใหญ่อันยืนต้นโดดเดียวท่ามกลางพันไม้อื่นอยู่ตามลาพังต้นเดียวในลักษณะสงบนิ่งจึงก้าวเข้าไปแตะไหลแผ่วเบาเป็นไงกำลังถามมาโศกอยู่เหรอน้อยถามเหรอคะ จะให้ถามว่าไงล่ะคะก็ถามว่ากระแสเสียงพี่ชายกลางคราวนี้อ่อนโยนรื่นนุ่มหูอโศดูแสนสุขช่วยดับทุกข์ให้สักคราโศกเศร้าเผา ว, วิญญาอาอาโศโรคฆ่าร้ายอาโศโยกกิ่งไกว จงตอบไปดังใจหมายว่าเห็นพระรือสายผ่านมาบ้างหรืออย่างไรดารินวราฤทธิ์หันกลับมากอดพี่ชายกลางไว้แนบแน่นหัวเราะในขณะที่น้ําตาคลอใครนะคะใครว่าพี่กลางเป็นคนปากร้ายโดยแท้ที่จริงแล้วพี่กลางเป็นคนอ่อนโยน ลึกซึ้งยิ่งกว่าใครๆซะอีกอย่างทราบจิตใจน้อยในขณะนี้ได้ดีกว่าใครทุกคนอย่าเหม็นหน้าพี่นะบางทีพี่ก็อาจจะปากเสียไปบ้างละน้อยรักพี่กลางค่ะรู้เข้าใจทําไมงั้นน้อยก็คงจะไม่เสียงไปตามพี่ในครั้งนั้นหรอกแล้วคราวนี้น้อยจะตามคนที่น้อยรักบ้าง ทำไมพี่จะเสียสลามไม่ได้ไปไปไปกินอาหารเช้ากันแล้วเราจะได้ออกเดินทางกันให้ด้วยนําทางนะคะถูกต้องจะเป็นไปตามที่น้อยต้องการนั่นแหละแล้วพรานชุดหรืออนุชาวราริศก็จูงมือน้องสาวคนเล็กของคณะกลับเข้ามาร่วมรับประทานอาหารมื้อแรกแห่งวันเฉษฐาและชยันสังเกตเห็นดารินมีสีหน้าที่แฉมชื่นขึ้น ในการกลับเข้ามาร่วมวงในครั้งนี้และเริ่มจะพูดจากับคณะขึ้นบ้างไม่เงียบซึมเหมือนตอนตื่นขึ้นมาใหม่เพียงแค่แสงสว่างมีขึ้นสลัวสลัวเท่านั้นภายในโดงทึบตำแหน่งนั้นทุกคนก็พร้อมที่จะออกเดินทางได้ไฟทุกกองถูกพลาดดับสนิทสัมภาระเข้าของเก็บแพ็คเข้าคารหาบหามพร้อม ดารินเริ่มปราดเปรียวแคล่วคล่องเหมือนเดิมสีหน้าแววตาเด็ดเดี่ยวต่อทุกปัญหาที่รอคอยอยู่เบื้องหน้าสลัดแววท้อแท้กระปะกระเปรี้ยวออกไปหมดสิ้นเจ้าด้วนนั้นมีอาการแสดงให้เห็นชัดว่าต้องการอย่างยิ่งที่จะให้หลอนนั่งไปบนคอของมันโดยการใช้งวงรัดตัวหญิงสาวไว้แล้วมอบลงแต่ดารินก็ปฏิเสธทั้งอาการและวาจา ด้วนให้ฉันเดินตามหลังเธอไปพร้อมๆกับพวกเราทุกคนเธอนะอยา่ฉันต้องทำอะไรให้เป็นการเอาเปรียบคนอื่นเขาเลยเธอจงนำหน้าไปรอๆด้วยแล้วกันอย่าทิ้งให้ห่างนักพวกเราจะเดินตามเธอไปทุกแห่งนะเป็นเวลาพักใหญ่ทีเดียวที่ดารินพยายามส่งภาษาบอกมันในที่สุดเก้าช้างป่าแสนรู้ผู้แสนจะพักดีจึงยอมปฏิบัติตามคาสั่ง โดยยอมลุกขึ้นส่งเสียงร้องดังออกมาครั้งหนึ่งและจึงบ่ายตัวหันบั้นท้ายให้กับทุกคนพร้อมทั้งก้าวย่างออกนำหน้าตัดทางไปในระหว่างแมกไม้ไพรพฤกในขณะที่หมอกยังเป็นละอองถาวมัวปกคลุมอยู่ทั่วไปมองเห็นทัศนวิสัยเบื้องหน้าห่างไม่เกินสี่ห้าเมตรเท่านั้นน้อย ความจริงก็ไม่มีใครเขาว่าน้อยจะเอาเปรียบรอกโดยการนั่งไปบนคอของมันน่ะพี่ชายใหญ่บอกมาในขณะขบวนเริ่มเคลื่อนโดยในครั้งแรกยังเกาะหมู่รวมกลุ่มกันไปในระยะไม่ทิ้งห่างกันนะักแต่ที่กลัวนะก็กลัวว่าถ้าน้อยขึ้นไปนั่งบนคอมันเมื่อไหร่มันก็จะพาน้อยเดินรุดหน้าไปคนเดียวโดยไม่ยอมรอพวกเราเสียเท่านั้นน่ะ เช้าวันนี้ดูท่าทางมันกระสับกระส่ายนะเหมือนจะเร่งเราให้เดินทางยังเห็นได้ชัดทีเดียวมาดูสิสภาพของหมอกที่ลงจับอยู่นี้พรานชำนานป่าอย่างนานอินบอกให้ทุกคนทราบวันหน้าเกรงอันตรายอย่างยิ่งเพราะมองไม่เห็นอะไรได้ห่างตัวนะักแต่การที่มีเจ้าด้วนซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่ของป่าทำหน้าที่นำทางแบบนี้ จึงไม่น่าจะมีอะไรให้ต้องห่วงกังวลจนเกินไปสัญชาตญาณและระบบคานประสาสของช้างไวต่อสรรพอันตรายอยู่แล้วเพราะแม้กระทั่งในเวลากลางคืนที่มืดสนิทคณะของเชษฐาก็ยังเคยบุกบั่นมาก่อนแล้วโดยอาศัยจากการนำของมันจึงเมื่อสว่างแล้วเช่นนี้แม้จะมีหมอกเป็นม่านปกคลุมอยู่บ้างก็ยังดีกว่าที่จะงมหลงไปในเวลาราตรีอันมืดสนิท ต่างใครามาหาการอย่างที่แล้วมาตอนออกติดตามค้นหาดาริ 3. ชั่วโมงเต็มเม็ที่การเดินตกอยู่ภายใต้การนำของเจ้าด้วนอย่างเด็กขาดทั้งหมดเลี้ยวลัดตัดไปตามสภาพอันรกชัดของป่าทึบที่ปราศจากเส้นทางด่านช้างป่าแสนรู้บุกแวกทางล่วงหน้าไปก่อนเมื่อมาประกอบการะหนานอินขยินและนายชวน หัวหน้าลูกหกักช่วยกันใช้ดาบตัดลิดกิ่งใบต้นไม้และเถาวันที่กีดขวางเส้นทางอยู่คณะทั้งหมดก็สามารถจะบุกบันซอกซอนเข้าไปได้อย่างทรหดไม่มีวิแววของสัตว์ใดๆให้เห็นเลยตลอดเส้นทางที่งมกันมาในดงทึบและสภาพพื้นภูมิประเทศนอกจากความยากลำบากในการบุกมุดฟันฝ่ากันไปแล้ว ก็ไม่มีอันตรายจากธรรมชาติหรืออื่นใดจะแพ่วผ่านผ่านพกโดยการนำอัญชันฉลาดของเจ้าด้วนซึ่งมันย่อมมีสัญชาตญาณรับรู้ล่วงหน้าอยู่ก่อนแล้วภายในอาณาจักรของมันเองนอกจากครั้งหนึง่งมันจะนำลงไปในป่าถลม่มอันเต็มไปด้วยเลนเหลวเหมือนปลักแต่ก็ไม่ใช่ลมดูดหรือมีระดับลึกอะไรนะัก เมื่อมันยังกล้าที่จะก้าวเดินนำลงไปได้ทุกคนก็ย่อมจะแน่ใจได้ว่าบริเวณนั้นหาใช้เขตอันตรายไม่มิฉะนั้นช้างป่าจะไม่กล้าเดินผ่านเป็นอันขาดพอขึ้นชั่วโมงที่สสภาพการเดินเริ่มไต่ทางขึ้นป่าในที่สูงชันขึ้นไปตามลำดับผ่านหุบน้ำตกขนาดใหญ่พอสมควร เจ้าด้วนลงไปแช่เล่นน้ำอยู่ในนั้นชั่วขณะเปิดโอกาสให้ผู้ที่เดินตามหลังมันทั้งหมดพักเหนื่อยอยู่ชั่วระยะเวลาสั้นๆและชำระล้างคโครนที่เปื้อนขาอันเกิดจากการบุกตะลุยข้ามแรงอันเหมือนปลักเลนท่วมเลอะเทอะขึ้นมาจนเกินหัวเข่าขึ้นไปเล็กน้อยต่างอาศัยเติมน้ำดื่มและรวมกลุ่มนั่งพักกันอยู่บนก้อนหิน พื้นตัดราบเรียบใต้ต้นรังใหญ่พอจะมีโอกาสได้มองหินท้องฟ้าแจม่มใสเป็นสีครามปกคลุมไปด้วยปุยเมฆเป็นครั้งแรกหลังจากที่งมกันมาเป็นเวลาหลายชั่วโมงนับแต่เริ่มออกเดินทางในเช้าวันนี้ขณะนั้นเป็นเวลาสิบนาฬิกาเศษลาแสงตะวันสาดเป็นแนวเฉียงจับอยู่บนทิวไม้เหนือสีสั และละอองน้ำตกจากหน้าผาด้านบนลอยเป็นหมอกเจ็ดสีสวยงามเนื่องมาจากไอ้น้ำกระทบลำแสงตะวันก่อให้เกิดเป็นสีรุง้งทุกคนเหงื่อท่วมกายเหมือนกระอาบน้ำดารินเอาผ้าขนหนูเล็กๆชุบน้ำในแอ่งตรงหน้าที่หล่อนและพักพวกกำลังนั่งพักอยู่เช็ดไปตลอดทั้งใบหน้าลำคอและแ ข, ขนขณะนั้นเองอนุชากนันอิน ซึ่งไต่ไปตามแก่งแง่โคดหินและแง่หน้าขึ้นไปยังด้านบนของผานํำตกสูงลิฟ์ปรึกษาหาเรืออะไรกันอยู่พักใหญ่ก็กระโดดตามแง่หินกลับมายังคณะส่วนใหญ่ด้วยสีหน้าที่แสดงความหวังเด่งชัดขึ้นรู้สึกว่าจะเข้าเส้นทางแล้วล่ะครับอดีตพรานชดบอกกับทุกคนยิ้มยิ้มพร้อมกับหย่อนตัวนั่งพูดได้ชัดกว่านี้สิ พี่ชายใหญ่เงยหน้าขึ้นมองพร้อมทั้งขมวดคิ้วนิดนึงอย่างฉงวนพี่ใหญ่ครับผมกะลุงอินจำหุบน้ำตกตำแหน่งนี้ได้แล้วมันเป็นบริเวณที่เราสองคนเคยมาพักอยู่ในการเดินทางครั้งก่อนน่ยฮาจริงเหรอชายันผู้กำลังเอ็นหลังพิงโคนไม้อยู่ดึงกายขึ้นนั่งตรงร้องดังลั่นออกมาลืมตาพลูในขณะที่ดารินผู้กาลังเอาผ้าเช็ดตามลาคออยู่ ก็หันขวักมา ท, าทันทีทุกสายตามองจับมาที่อนุชาและพรานเท่าหนานอินเป็นตาเดียวอย่างตื่นเต้นรัคนกังขาจริงเป็นความหวังที่ดีสําหรับเราอย่างที่สุดที่ทั้งชั้นและหนานอินมาพบเข่ากาแหล่งที่เคยผ่านมาก่อนแล้วในครั้งนั้นเรามีหลักฐานพร้อมหลักฐานอะไรเชิดาดารินและชยัน ถามขึ้นพร้อมกันเป็นเสียงเดียวเร่ากันนัดกันไว้อนุชาวราฤทธิ์ชี้ปลายไรเฟิลให้ทุกคนดูขึ้นไปยังชะ ง, ง่อนด้านขวามือของหน้าผาน้ำตกอันเป็นบริเวณที่มองเห็นโล่งโดดเด่นตัดกระท้องฟ้าเพราะปราศจากกิ่งไม้บางในตำแหน่งหรือมุมที่เห็นกันอยู่ในขณะนี้สูงขึ้นไปประมาณ250เมตรในแนวเฉียง45องศา จากตำแหน่งที่นั่งพักกันอยู่ดูนั่นเห็นไรไหมอนุชาเอ่ยออกมาด้วยเสียงแจ่มใสมีกังวาลผิดไปตาเป็นประกายลักษณะของยอดหินโผล่เด่นออกมารูปร่างเหมือนเจดีไม่อยู่สามยอดเรียงกันทำไมมีอะไรพิเศษที่ยอดหินรูปเจดีสมยอดนั่นหรือเฉถาถามมาเสียงแผ่วต่า มีความหมายมากทีเดียวล่ะครับพี่ใหญ่สำหรับหินเป็นรูปเหมือนเจดีเรียงรายกันอยู่สามยอดโดยมียอดกลางสูงเด่นกว่าอีกสองด้านขนาบข้างนั่นเพราะทั้งผมและหนานอินจำได้ว่ามันเคยเป็นตำแหน่งน้ำตกที่เคยมาพักกันอยู่นี่มนันเป็นเป้าหมายกลางป่าครั้งแรกที่ผมกับหนานอินจำได้แม่นยำว่าเคยได้ผ่านพบมาก่อนแล้วเพราะมันเป็นยอดหินเหนือทาน้าตกด้านบน มองหินจากด้านล่างนี่เป็นเจดีย์อยู่สามองค์องค์กลางน่ะสูงเด่นกว่าเพื่อนมันไม่มีทางที่จะผิดหรือคลาดเคลื่อนไปได้แน่นอนสำหรับเป้าหมายที่พอจะสังเกตได้อันเห็นชัดอยู่นี่ความตื่นเต้นบังเกิดขึ้นกับทุกคนในทันทีนั้นดารินถึงกับทะลึ่งพรวดลุกขึ้นยืนและทำให้พี่ชายใหญ่กาเชษฐาพลอยืนตามขึ้นมาหมดต่างจับมองไปยังยอดหินที่เห็นลิบลิอยู่นั่นคำแ็ง ใช่แน่เหรอลุงอินช ย, ยันร้องถามนานอินออกมารูพรานยิ้มออกมานิดนึงพยักหน้าชา้าช้าใช่แน่นายทหารนานอินกับพรายชดเคยมาพักอยู่ที่นี่ในคราวนั้นไม่ผิดไปหรอกขณะที่พักในหุบตรงนี้เราสองคนมองขึ้นไปเห็นเจดีสามยอดน่ยยังเคยพูดกันว่ามันเหมือนมีใครมาสร้างเจดีไว้บน น, น้น ดูปแปลกตาดิเจ้าด้วนนำตัดทางออกมาโผล่ที่แอ่งน้ำตกของภูเขาลูกเดียวกันกับที่นานยินกับพรานชดเคยผ่านมาก่อนอีกคราวนั้นน่ะเรามาถึงที่นี่เวลาบ่ายจัดพักนอนกันอยู่คืนหนึ่งก่อนจะออกเดินต่อในตอนรุ่งเชา้าถ้างั้นเี่ตาจับแขนน้องชายไว้พูดมาเลยเร็ว ทั้งเธอและ ล, ลุงอินก็น่าจะจาเส้นทางเดิมที่เดินได้แล้วสิพระเจ้าด้วนนำโผล่มาพบกับจุดเริ่มต้นที่เธอเริ่มจะจาได้จากเป้าหมายสังเกตนี่แล้วครับพี่ใ่ผมคิดว่าเราสองคนพอจะจำได้แล้วละครับถ้าลุงได้พบจุดสังเกตแบบนี้น้ําตกแองนี้ลุงอินและผมเคยเรียกเป็นสัญญาณที่เรารู้กันเองระหว่างเราทั้งสองคนว่าน้าตกสามจดีครับ อดีตพรานชดบอกอย่างมั่นใจที่สุดพร้อมกระสุดลมหายใจลึกเอามือแตะริมฝีปากแล้วส่งชูไปทางยอดหินทั้งสามยอดนันพลางบูกมือให้เหมือนจะเป็นการทักทายเชิดถาชา ย, ยันและดารินแต่ด้วยความตื่นเต้นยินดีข่าวการพบเป้าหมายที่บุคคลทั้งสองจำได้ก็ล่วงรู้ไปถึงพวกพรานพื้นเมืองทุกคนอย่างรวดเร็วเพราะขยินเป็นคนกระจายข่าว พวกนั้นพากันแล่นออกมายังบริเวณหินที่โล่งงอกอยู่กลางสายน้ำไหลแล้วมองขึ้นไปดูยังเป้าหมายตำแหน่งนั้นพร้อมกับวิจารณ์กันแซ่พี่กลางคะขณะนั้นดารินก็เอ่ยขึ้นเบาๆจ้องตาพี่ชัยนิ่งจากหลักฐานการที่ฝ่ายของน้อยซึ่งติดตามหาตัวพี่กลางกับลุงอินในครั้งนั้น ทุกครั้งที่เราพบตำแหน่งพักนอนของพี่กลางเราจะต้องพบหลักฐานอะไรของพี่กลางทำทิ้งไว้เสมออย่างน้อยไม่มีอะไรเลยก็จะสลักชื่อไว้ตามโคนไม้หรือเขียนไว้ตามผนังหินและตำแหน่งน้ำตกสามเจดีที่พี่กลางแน่ใจว่ามาพักนอนนี่พี่กลางทำหลักฐานอะไรไว้บ้างหรือเปล่าล่ะคะอนุชาหัวเราะนี่นี่แปลว่าเธอยังไม่เชื่อหรือเนี่ยก็ เพียงแค่ถามดูท่างนั้นแหละมันจะช่วยยืนยันแน่ชัดขึ้นมาอีกแต่ถ้าพี่กลางไม่ได้ทำตำหนิอะไรไว้เลยก็ไม่เป็นไรหรอกน้อยเชื่อค่ะเอาละถ้างั้นทุกคนก็ตามมาดูที่นี่แล้วกันอดีตนักพจนภัยผู้เคยใช้ชื่อว่าชดประชากรคว้าแขนน้องสาวพยักหน้ากรเชฐิฐาชัยยันแล้วจูงมือดารินกระโดดข้ามโคถินที่งอกขึ้นกลางน้า ตรงไปยังโคนต้นสักใหญ่ยืนต้นอยู่ฟ้าตรงข้ามทุกคนพากันตามมาในทันทีเมื่อถึงเขาใช้ปลายไรยเฟิลยี่ง <G S 1> ลงไปให้ดูตรงตำแหน่งโคนต้นอันอวบใหญ่ระดับสูงจากพื้นดินขึ้นมาประมาณเม็ดครึ่งทุกคนจ้องไปก็เห็นเงียบกริบกันไปหมดแต่สีหน้าแสดงความยินดีขีดสุด รอยปลายมีดแกะไว้ยังลำต้นไม้เป็นอักษรภาษาไทยชื่ออนุชาวราริตข้างใต้น้มนั้นเป็นวันเดือนและปีที่สลักไว้ไม่มีข้อความอย่างอื่นอีกอารมณ์กวีมันยังไม่เกิดอนะ่ะตอนนั้นก็เลยแกะชื่อลงวันที่ไว้เฉยๆไม่ได้เขียนเป็นคำกรอนไว้และถึงเขียนก็ไม่มีประโยชน์อ่ะ พระน้องสาวพี่ไม่ได้ตามมายังตำแหน่งนี้ด้วยอนุชาพูดปนหัวเราะเบาๆขณะที่จุดบุรีสูบอย่างโปร่งใจขึ้นดารินหันไปมองเจ้าด้วนซึ่งขณะนี้กำลังจมตัวอยู่กลางแอ่งบริเวณที่ลึกที่สุดและชู ง, งวงพ่นน้ำเล่นอย่างสบายใจของมันพึมพำออกมาเบาๆ ว, ว่าด้วน เธอเป็นมักคุเทศนำทางอย่างมีประสิทธิภาพเหลือเกินยิ่งกว่ารพินไรวันซะอีกไม่มีปัญหาหต้องสงสัยอะไรอีกแล้วละ่ะเทหายิ้มออกมาได้เป็นครั้งแรกเข้ามากอดน้องชายกลางไว้แล้วเขย่าตัวเบาๆถ้าเธอและลุงอินเริ่มจำเส้นทางเดิมของตัวเองได้ความหวังของเราก็มีขึ้นอย่างมากแล้วละ่ะเราขาดอาหารแล้วก็หิวมากครับ เมื่อมาถึงที่นี่ก่อนคร่าเจ้าเสือเหลืองตัวหนึ่งก็คงจะหิวมากเหมือนกันมันจ้องที่จะอาศัยเราสองคนเป็นอาหารอยู่ขณะนั้นลุงอินก้มลงมองดูปลาอยู่ตรงซอกหินนี่หวังจะเอาขึ้นมาย่างกินเจ้าเสือเหลืองก็ย่องเข้ามาทางด้านหลังผมนั่งอยู่ตรงโขดหินกลางแอ่งมองเห็นอย่างถนัดแล้วก็ยิงมันในขณะที่มันกระโจนเข้าใส่ลุงอินพอดี วันนั้นเราก็เลยได้แล่เนื้อเสือย่างไฟแทนปลาบนฝั่งโน้นใกล้ๆกับที่มันฟุบอยู่ใจผมพาไปดูโครงกระดูกของมันด้วยไหมครับไม่ต้องอ่ะไม่ต้องเสียเวลาหลักฐานแค่นี้มันก็เด่นชัดแล้วว่าแกได้ผ่านมาพักที่นี่จริงชะยันเหนียวไหลอนุชาไว้เมื่อเห็นเขาจะก้าวออกต่อไปเธอนี่รอบคอบดีมากนะ ที่ผ่านไปถึงไหนก็ทําเครื่องหมายให้สังเกตไว้ได้เสมอเชิดฐาชมยิ้มยิ้มผมก็ไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้ผ่านมาเห็นมันอีกครั้งหรอกครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะทําเป็นหลักฐานไว้ใครติดตามมาได้ด้วยเพราะนึกไม่ถึงว่าจะมีการออกมาตามกันเพียงแต่สลักชื่อวันเดือนปีที่ผ่านไว้เท่านั้นเพราะมันเป็นดินแดนที่มนุษย์น้อยคนนักจะมีโอกาสผ่านเข้ามาได้แต่ตอนนี้บอกตามตรงนะครับ ว่าผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากเหมือนกันที่มีโอกาสได้กลับมาเห็นลายสลักชื่อของตัวเองอีกครั้งพิ่ชายใหญ่ของคณะทาสัญญาณสั่งทุกคนที่ตามมาให้กลับไปนั่งบนแท่นหินใต้ต้นรังอันเป็นตำแหน่งที่พอจะพักได้สบายอีกครั้งและลงมือสอบความกับน้องชายกลางหรืออดีตคนสาบสูน์ในยุคนั้นทันทีนีกลาง เธอพอจะจําได้ไหมหลังจากออกจากกลุ่มช้างแล้วน่ะเธอใช้เวลานานสักเท่าไหร่จึงจะได้มาถึงน้ําตกสารเจดีนี่ก็ประมาณเดือนเศษๆแล้วครับพี่ใหญ่กลากรำหนักมานานพอสมควรทีเดียวกว่าจะมาถึงที่นี่ได้สเสบียงอาหารทุกสิ่งทุกอย่างหมดเกลี้ยงไปนานละขุดเผือกขุดมันหาเนื้อสัตว์ประทั้งชีพไปตามบุญตามกรรมก่อนจะได้มากินเนื้อเสือตัวนั้นได้ที่นี่ แตบจะไม่มีแรงเดินเพราะหาสัตว์อะไรไม่ได้เลยชิดฐาลูปคางพยักหน้าช้าๆแล้วเมื่อออกเดินทางจากที่นี่เธอเริ่มต้นยังไงเดินผ่านไปในละแวกป่าหรือภูมิประเทศนี้ยังไงมั่งลองทบทวนดูซินุงอินด้วยพี่เชื่อว่าเราพอจะมองเห็นทางสำเร็จได้แล้วนะสำหรับเส้นทางต่อไปนี้ แต่มันต้องอาศัยความทรงจําเก่าของทั้งสองคนด้วยละ่ะพี่ใหญ่หรือทุกคนรู้เท่าที่ผมรู้นั่นแหละครับว่าลงได้พบตําแหน่งอันเป็นเป้าหมายสำคัญในอดีตให้ผมจําได้แบบนี้หนทางต่อไปมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนักล่ละอนุชาพูดช้าๆตามองจับไปยังยอดหินเหมือนทรงเจดีทั้งสามนั้นอีกครั้ง อย่างพยายามเรียกความทรงจำเก่าเมื่อเริ่มเดินทางต่อจากที่นี่ผมกะลุงอินไต่เขาอ้อมไปทางด้านขวาของยอดเจดีสามองค์นั่นพยายามไต่สูงขึ้นไปเรื่อยๆอีกหนึ่งวันเต็มๆจึงพบที่ราบสูงเหนือยอดเขาลูกนี้บนที่ราบสูงจะมียอดเขาลักษณะต่างๆล้อมรอบไปหมด เรามุ่งเหนือตลอดดูเหมือนอีกสามหรือสี่วันต่อมาก็เข้าเขตเทือกเขาหนหลักการของวายาตอนนั้นอะผมถูกงูพิษกัดเกือบตายวายากับพวกของเขามาพบผมกับลุงอินเขา้าจึงเอาเข้าไปข้างในเลี้ยงดูรักษาพยาบาลให้ในนครวานอนแห่งนั้นผมก็พักอยู่กับวายาและพลเมืองลิงเขาอยู่นานทีเดียวก่อนจะออกเดินทางต่อ ออและพวกเราที่ตามมาในคราวหลังครั้งนั้นก็ได้รู้เรื่องราวของแกกับลุงอินจากวายาแล้วล่ะไดะคิดว่าเราควรจะมุ่งไปยังเทือกเขานิ l การก่อนใช่ไหมชยันถามมาบ้างครับนั่นนะเป็นหนทางเดียวเท่านั้นที่เราจะไปให้ถึงเนินพระจันทร์ได้ขอให้ไปเริ่มต้นที่เทือกเขานิ l การอีกครั้งแล้วการที่จะไปให้ถึงเนินพระจันทร์เทือกพระศิวะก็มองเห็นอยู่แค่เอื้อมนะครับ พี่กลางคะแล้วพี่กลางคิดว่าจากที่นี่ตำแหน่งน้ำตกสามเจดีเนี่ยพี่กลางพอจะจำทางไปภูเขานิลกาลได้ไหมไดารินถามมาอย่างกระตือรือร้นเรื่องนี้ถ้าพี่จำทางไม่ได้ลุงอินก็คงจะจำได้หรือถ้าลุงอินจำไม่ได้พี่ก็อาจจะจำได้เราสองคนจะช่วยกันแต่ก็คิดว่าไม่ยากแล้วก็บอกแล้วไง ว่าระยะเส้นทางเดินในครั้งนั้นน่ะมันแค่สามสี่วันเท่านั้นจากที่นี่ไปอดีตพรานชดประชากรบอกมาอย่างมั่นใจดารินเต็มไปได้วยความยินดีอย่างเห็นได้ชัดความหวังของหล่อนผุดเด่นขึ้นแล้วน้อยอยากจะกลับไปพบเห็นวายาและนะครลิงของเขาอีกครั้งอยากจะไปกราบนมัสการมหาฤสีโกนทัญะญ แล้วก็เชื่อมั่นเต็มทีเหมือนกันว่าเมื่อถึงนครของวายาเมื่อไหร่การที่จะไปให้ถึงเนินพระจันร์ก็ไม่น่าจะยากอะไรแล้วพี่กลางจำได้ไหมว่าออกจากภูเขาในละการแล้วพี่กลางกับลุงอินใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะถึงเนินพระจันอนุชาหันไปหาฤือีนานอินอยู่ครู่หนึ่งก็บอกมาว่าจากเมืองวานนอนของวายา พี่กนนนอินเดินทางกันอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์นะไม่เกินนั้นก็ถึงเนินพระจันทร์แล้วพวกเธอกับพี่ใหญ่ละ่ะระพินนำทางในคราวนั้นจากเขานิลการถึงเนินพระจันทร์นานเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าจะใ ก, กล้เคียงกันนะระยะทางจากภูเขานิลการถึงเทือกพระศิวะเป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยภัยจากธรรมชาติก็จริง มันยากที่จะหลงหรือคลาดเคลื่อนไปทางอื่นได้ขอให้ตั้งเข็มตะวันออกเทียงเหนือตลอดเท่านั้นพอออกจากภูเขานิลการได้สามวันเราก็เห็นเทือกพระศิวะเป็นทิวใหญ่ยันฟ้าขวางหน้าอยู่แล้วก็เป็นอันว่าเราจะตั้งเข็มเข้าหาภูเขานิลการแล้วนะจากนี้เชิฐาสรุปในทันทีอนุชาหันไปทางน้องสาวคนเล็ก ครับพี่ใหญ่ผมก็ตั้งใจเว่งนั้นแหละแต่สำคัญว่าถ้าเจ้าด้วนยอดขอมองอิ่มของน้อยมันนำแยกไปทางอื่นๆจะทำไงดีในเมื่อน้อยก็เชื่อในการนำทางของมันมากกว่าที่จะเชื่อมือผมด้วยลุงอินริคราวนี้ทุกคนหันไปดูน้องสาวคนเล็กของคณะเป็นตาเดียวเออพี่กลางเขาว่าอย่างเงี้ยน้อยจะเอาไงดารินเมมริมฝีปากรีตาลง แล้ค่อยๆหันไปทางเจ้าด่วนซึ่งยังแช่น้ําผูหลังปริมปิมอยู่กลางแอ่งที่ลึกเอาเป็นว่า น, น้อยขอดูท่าทีของเจ้าด่วนก่อนนะคะว่าพอเราออกเดินทางจากที่นี่เขาจะนำเราไปในเส้นทางที่พี่กลางกับลุงอินเห็นว่าถูกต้องหรือไม่แต่ก็ไม่แน่นักนะด้วนเขาอาจจะนําทางไปในเส้นทางเดียวกันก็ได้หรือถ้าจะเบี่ยงเบนออกไปบ้าง ด้วนก็จะต้องมีเหตุผลของเขาเองอ่ะเป็นต้นว่าอาจจะหาทางลัดย่นทั้งระยะและเวลามากกว่าเรื่องนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอกแต่สิ่งที่พิสูจน์ออกไปแน่ชัดแล้วก็คือด้วนนำทางไม่เคยผิดไม่งั้นก็ไม่นำโผลกมาให้พี่กลางและลุงอินจำน้ำตกสามใจดีนี้ได้อย่างไม่ย้ำหรอกคะ่ะก็แสดงว่าเส้นทางของเขา มันแม่นยำตรงเพงที่เดียวอ่ะตอนนี้ยังไม่เที่ยงมีใครหิวบ้างหรือยังเชาสอบถามไปยังทุกคนเมื่อได้รับการยืนยันว่ายังไม่มีใครต้องการพักกินอาหารกลางวันหัวหน้าคณะจึงบอกมาว่าเอ้าถ้างั้นเราจะออกเดินทางต่อกันเดี๋ยวนี้เลยอ่ะน้อยส่งสัญญาณให้เจ้าเดือนรู้ว่าเราจะเริ่มออกเดินทางแล้วให้มันนาต่อไป แล้วมาดูสิว่ามันจะนำไปในเส้นทางที่กลางกะลุงอินตั้งใจไว้หรือไม่เมื่อนั้นดารินจึงชูมือทั้งสองขึ้นเหนือสีสษะแล้วตบทีๆพร้อมทั้งตะโกนออกไปดังลั่นว่าด้วนเราจะไปกันเดี๋ยวนี้แล้วขึ้นจากน้ำได้สัทีลูกแล้วนั้นต่อไปได้เลยเพียงแต่ว่าวเสียงของดารินเท่านั้น เจ้าช้างแสนรู้ซึ่งลงไปนอนแช่อยู่ในน้ำก็สะบัดงวงยันกายลุกขึ้นยืนระางงานกลางแอ่งน้ำแตกกระจายไหลลงจากตัวอันใหญ่มหึือมาของมันแล้วชูงวงส่งเสียงแปรนเหมือนจะรับคำออกมาสั้นๆพร้อมทั้งก้าวช้าๆอย่างระมัดระวังไต่เยียบขึ้นมาตามแง่หินใต้น้ำจนกระทั่ง ขึ้นมายืนอยู่บนป่าฟาดตรงข้ามซึ่งดารินและคณะทั้งหมดทุกคนกำลังก้าวตามเพื่อย้ายฝั่งของทานน้ำตกไปยังอีกฝาหนึ่ง